พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าสุดตันตะปิฎกสามัญญผลละสูตรสูตรว่าด้วยผลของความเป็นสมณะพระผู้มีพระภาคประทับนป่ามะม่วงของหมอชีวกใกล้กรุงราชครืพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่คือวันเพ็ญส5บห้าค่ำอันเป็นวันอุโบสถเดือนส2องพระเจ้าอาชาศัตรูเสด็จไปเฝ้า